พุทเธเนรมิทูลถามว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปพตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นคําว่าดำเนินอย่างไรในคําว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีอธิบายว่า ดำเนินอย่างไรคือปฏิบัติอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นไปอย่างไรเลี้ยงชีวิตอย่างไรดำเนินไปอย่างไรยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างไรรูปจึงไม่มีคือไม่เป็นเก้าล่วงเก้าพ้นล่วงพ้นรวมความว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีคําว่าสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรอธิบายว่า สุขและทุกข์จะไม่มีคือไม่เป็นเก้าล่วงเก้าพ้นล่วงพ้นได้อย่างไรรวมความว่าสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรคำว่าวิธีการนั้นในคำว่าสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ได้แก่วิธีการที่ข้าพระองค์ทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศรวมความว่าวิธีการนั้นคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกนั้นแก่ข้าพระองค์ได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจำแนํำให้ง่ายประกาศรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกนั้นแก่ข้าพระองค์คำว่าสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใด ได้แก่สุขและทุกข์ย่อมไม่มีเผอไม่เป็นกล่าวล่วงเกล่าพ้นล่วงพ้นโดยวิธีการใดรวมความว่าสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์คําว่าจะรู้วิธีการนั้นในคําว่าข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นได้แก่ ข้ค่าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้ทั่วถึงรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดวิธีการนั้นรวมความว่าจะรู้วิธีการนั้นคำว่าค่าพระองค์มีความตั้งใจว่าได้แก่ค่าพระองค์มีความตั้งใจคือค่าพระองค์มีความคิดค่าพระองค์มีความดําริค่าพระองค์มีความรู้แจ้งดังนี้รวมความว่าข่าพระองค์มีความตั้งใจว่า จะรู้วิธีการนั้นด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นหนึ่งร้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ปราศจากสัญญาก็ไม่ใช่เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาคำว่าบุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ อธิบายว่าคนเหล่าใดดำรงอยู่ในสัญญาปกติคนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติบุคคลนั้นไม่ได้ดำรงอยู่ในสัญญาปกติคนเหล่าใดเป็นบ้าและมีจิตฟุ้งซ่านคนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติบุคคลนั้นไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้มีจิตฟุ้งซ่านรวมความว่า บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติคำว่าเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ามิใช่ปราศจากสัญญาก็ามิใช่อธิบายว่าคนเหล่าใดเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วและเป็นอสั ญ, ญีสัตว์คนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีสัญญาบุคคลนั้นมิใช่ผู้เข้านิโรธสมาบัติได้แล้ว มิได้เป็นอสัญญีสัตว์คนเหล่าใดได้อรูปสมาบัตสี 4. คนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้ปราศจากสัญญาบุคคลนั้นมิใช่ผู้ได้อรูปสมาบัตสี 4. รวมความว่าเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ปราศจากสัญญาก็มิใช่คำว่าเมื่อบุคคลดําเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีอธิบายว่าทิสุในธรรมวินัยนี้ เพราะละสุขได้บรรลุเจตุทธฌานอยู่เธอเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินพระสจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่กลางงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อให้ได้อากาศานัญญาต น, านาสมาบัตเป็นผู้พร้อมเพลียงด้วยธรรมเป็นทางแห่งอรูปสมาบัตเมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้ คือปฏิบัติอย่างนี้เคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เลี้ยงชีวิตอย่างนี้ดำเนินไปอย่างนี้ยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างนี้รูปก็ย่อมไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าพ้นล่วงพ้นรวมความว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีว่าด้วยทำเป็นเครื่องเนินช้า คำว่าเพราะว่าส <of> ่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาอธิบายว่าธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้านั่นเองคือส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือมานะมีต้นเหตุมาจากสัญญาคือมีสัญญาเป็นเหตุเกิดมีสัญญาเป็นกำเนิดมีสัญญาเป็นแดนเกิด รวมความว่าเพราะว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าบุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ปราสจากสัญญาก็ไม่ใช่เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะว่า ส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญา mm. 110พระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามทมใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบทมนั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ขอทูลถามทำเอื่นอีกขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกทำนั้นด้วยเถิดสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นหรือหนอว่าเป็นธรรมอันเลิศหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นอีเยี่ยมกว่าอารูปสมาบัตินี้คำว่า ข้าพระองค์ได้ทูลถามทำใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบทำนั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วได้แก่ข้าพระองค์ได้ทูลถามเคยได้ทูลขอได้ทูลอัญเชิญได้ทูลให้ประกาศทำใดแล้วคำว่าพระองค์ก็ได้ตรัสตอบทำนั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วได้แก่ได้ตรัสตอบเคยได้ทรงชี้แจงแล้วตรัสบอกแล้วทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้ว กำหนดแล้วเปิดเผยแล้วจำแนกแล้วทำให้ง่ายแล้วประกาศแล้วรวมความว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามทาใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบทำนั้นแก่ผวกข้าพระองค์แล้วคำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามทำเอื่นอีกขอเชิญพระองค์โปรตดตรัสบอกทำนั้นด้วยเถิดได้แก่ข้าพระองค์ขอทูลถามคือทูลขอทูลอัญเชิญ ทูให้ประกาศทำเอื่นอีกได้แก่ขอทูลถามพระองค์ถึงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปคําว่าขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นด้วยเถิดได้แก่ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามธรรมอื่นอีกขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นด้วยเถิด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 นำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดคำว่าของยักษ์ได้แก่ของสัตว์นรชนมมนุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์คำว่าความหมดจดได้แก่ความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไป คำว่าอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้ได้แก่กล่าวอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้คืออ้างว่าเป็นนักปราชญ์อ้างว่ามีญาณอ้างว่ามีเหตุผลอ้างว่ามีคุณลักษณะอ้างว่าเหมาะแก่เหตุอ้างว่าสมฐานะตามลัทธิของตนรวมความว่าสมณพรามณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้ พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศคำว่าหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเยี่ยมกว่าอารูปสมาบัตินี้อธิบายว่าหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นอรูปสมาบัติเหล่านี้ย่อมกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจง ความหมดจดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปของยักษ์อย่างอื่นคือยอดเยี่ยมกว่าอารูปสมาบัตินี้รวมความว่าหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเยี่ยมกว่าอารูปสมาบัตินี้ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรเรจึงทูลถามว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามทำใดแล้ว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 เยี่ยมกว่าอารูปสมาบทนี้หนึ่ง้อยสอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดพากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือ คำว่าสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์รวยอรูปสมาบัติเท่านั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศอธิบายว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกผู้มีวาทะว่าเทียงพากันกล่าวเพือพูดบอกแสดงชี้แจงอรูปสมาบัติเหล่านี้ว่าเป็นธรรมอันเลิศเพือประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุด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 คำว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดพากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลืออธิบายว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะว่าขาดศูนยขยาต่อพบชื่นชอบความปราศจากพบสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับ ความสงัดแห่งสัตว์ว่าท่านผู้เจริญหลังจากตายแล้วอัตตนี้ย่อมขาดศูนย์พินาศไม่มีอยู่โดยเหตุใดความไม่มีอะไรเหลือก็มีโดยเหตุนั้นคำว่าอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดได้แก่กล่าวอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดคืออ้างว่าเป็นบัณฑิตอ้างว่าเป็นนักปราชอ้างว่ามีญาณอ้างว่ามีเหตุผลอ้างว่ามีคุณลักษณะ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 มุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้นรู้จักสมณะพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยนักปราชญ์ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทเมื่อกลับมาในพบน้อยพบใหญ่ว่าด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาคำว่าเหล่านี้ในคำว่า รู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิได้แก่ผู้เป็นเจ้าลัทธิคำว่าเข้าไปอาศัยทิฏฐิได้แก่รู้จักคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นผู้อาศัยสัสตทิฏฐิความเห็นว่าเทียงเป็นผู้อาศัยอุเชตทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูย์ เป็นผู้อาศัยทั้งสัสตทิฏฐิและอุเชตทิฏฐิรวมความว่ารู้จักสมณพราหมู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิคำว่ามูนีในคำว่ามูนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารนานั้นและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยอธิบายว่าญาท่านเรียกว่าโมนะผู้ก้าวลุ่งกิเลสเครื่องคล่องและตันหาดุจตะข่ายได้แล้ว ชื่อว่ามุนีมุนีรู้จักคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นผู้อาศัยสัจสตทิฏฐิเป็นผู้อาศัยอุเฉต ท, ทิฏฐิเป็นผู้อาศัยทั้งสัจสตทิฏฐิและอุเฉต ท, ทิฏฐิคําว่าผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้นได้แก่ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตัสรู้ มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสรวมความว่ามูนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้นและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยคำว่าครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทได้แก่ครั้นรู้จักแล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้ว คำว่าหลุดพ้นได้แก่หลุดไปแล้วพ้นไปแล้วหลุดพ้นไปแล้วหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วโดยความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมันโดยส่วนเดียวคือครั้นรู้จักแล้วทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตา คือครั้นรู้จักแล้วทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจายแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็หลุดไปแล้วพ้นไปแล้วหลุดพ้นไปแล้วหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วโดยความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นโดยส่วนเดียวรวมความว่าครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้น คำว่าไม่ถึงการวิวาทได้แก่ไม่ก่อการทะเลาะไม่ก่อการบาดหมางไม่ก่อการแข่งแย่งไม่ก่อการวิวาทไม่ก่อการมุ่งร้ายสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอาคีเวสนะพิสุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่โตเถียงกับใครไม่วิวาทกับใครเรื่องใดที่พูดกันในโลก ก็ไม่ยึดมั่นชี้แจงด้วยเรื่องนั้นรวมความว่าครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทคําว่าในภพน้อยภพใหญ่ในคําว่านักปราศไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่อธิบายว่าไม่กลับมาคือไม่มาถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในภพน้อยภพใหญ่คือในกลามวัฏและวิปากวัฏ ในกรามวัตเป็นเครื่องเกิดในการมภพในวิปากวัตเป็นเครื่องเกิดในการมภพในกลามวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในวิปากวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพในวิปากวัตเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพในภพต่อไปในคติต่อไปในการถือกาเนิดต่อไปในปฏิสนธิต่อไปในอัตภาพต่อไป ในความบังเกิดของอัตภาพต่อไปคำว่านักปราดได้แก่นักปราดคือบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสรวมความว่านักปราดไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้น รู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าละทิเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยนักปราชครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทไม่กลับมาในพบน้อยพบใหญ่การละหาวิวาทาสุตตานิเทศที่ส1เอ็ดจบ 12. จูลวิยูหสุตานิเทศอธิบายจูลวิยูหสูตรว่าด้วยการวิวาทกันเฉพาะทิฏฐิสูตรเล็กพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายจูลวิยูหสูตรดังต่อไปนี้ 113. พระพุทธเนรมิมธุลถามว่าสมณพราหมณ์เจ้าวิธิบางพวกยึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิของตนของตน ถือแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพูดกันไปต่างๆว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ธทำแล้วบุคคลใดคัดค้านทำนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สําเร็จกิจคําว่ายึดถืออยู่เฉพาะทิฐิของตนของตนอธิบายว่าสมณพราหมณ์เจ้าลัทธิบางพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นยึดยึดถือ ถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหกสองแล้วอยู่อยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองในทิฏฐิของตนของตนเหมือนพวกครหัตผู้ครองเรือนก็อยู่ในเรือนมู่ภิกษุผู้มีอาบัติก็อยู่ในอาบัติหรือพวกปุถุชนผู้มีกิเลสก็อยู่ในกิเลชั้นใดมีสมณพราหมณ์เจ้ารธิบางพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นยึดยึดถือ ถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหกสิบสองแล้วอยู่อยู่ร่วมอยู่อาัยอยู่ครองในทิฏฐิของตนของตนฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่ายึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิข อ, ของตนของตนคำว่าถือแล้วในคำว่าถือแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพูดกันไปต่างๆได้แย่ยึดยึดถือ ถือยึดมั่นถือมั่นคำว่าพูดกันไปต่างๆได้แก่พูดกันไปต่างๆคือพูดมากอย่างพูดอย่างโน้อนอย่างนี้พูดไปมากมายคือไม่กล่าวไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงเป็นอย่างเดียวกันคำว่าอ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดได้แก่อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดคืออ้างว่าเป็นบัณฑิตอ้างว่าเป็นนักปราน อ้างว่ามีความรู้อ้างว่ามีเหตุผลอ้างว่ามีคุณลักษณะอ้างว่าเหมาะแก่เหตุอ้างว่าสมฐานะตามลัทธิของตนรวมความว่าถือแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพูดกันไปต่างๆคำว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นก็ชื่อว่ารู้ธรรมแล้วอธิบายว่าบุคคลใดรู้ทำเคลิฐิปฏิปทามรคนี้ บุคคลนั้นชื่อว่ารู้คือได้รู้ได้เห็นได้แทงตลอดทําแล้วรวมความว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ทำแล้วคําว่าบุคคลใดคัดค้านทำนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สําเร็จกิจอธิบายว่าบุคคลใดคัดค้านทำเพื่อทิชชิปฏิปทามรคนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สําเร็จกิจ คือไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ได้แก่บุคคลนั้นเป็นคนเลวสามต่ำสามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าบุคคลใดคัดค้านธรรมนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สำเร็จกิจด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมมต จ, จึงทูลถามว่าสมณพราหมณ์เจ้าลัทธิบางพวกยึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิของตนของตนถือแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาด พูดกันไปต่างๆว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ธทมแล้วบุคคลใดคัดค้านธรรมนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สําเร็จกิจหนึพระพุทธเนรมิทูลถามอีกว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเถออย่างนี้แล้วก็พากันวิวาทและกล่าวว่าคนเอื่นเป็นคนผานไม่ฉลาดวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้ วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนอเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดว่าด้วยวิวาดกันเพราะถือทิฐิคำว่าถืออย่างนี้แล้วก็พากันวิวาทอธิบายว่ายึดยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้วก็พากันวิวาทคือก่อการทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแก่งแย่งก่อการวิวาท ก่อการมุ่งร้ายว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดรวมความว่าถืออย่างนี้แล้วก็พากันวิวาทคำว่าและกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพานไม่ฉลาดอธิบายว่ากล่าวอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าคนอื่นเป็นคนพานคือเป็นคนเลวสามต่ำสาม น่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยไม่ฉลาดคือไม่มีความรู้ไปตามอาวิชชาไม่มียานไม่มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทึบรวมความว่าและกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนผ่านไม่ฉลาดคำว่าวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนออธิบายว่าวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนเป็นเรื่องจริง คือแท้แน่เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตรวมความว่าวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนอคคาว่าเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดอธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดคืออ้างว่าเป็นบัณฑิตอ้างว่าเป็นนักปราชญ์อ้างว่ามีความรู้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 วาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนอเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดหนึ่งรสิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนผานไม่ยอมรับธรรมของผู้อื่นเลยเป็นคนต่ำซามมีปัญญาซามสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นคนผานมีปัญญาซามสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละ ยึดถือทิฏฐิอยู่คำว่าไม่ยอมรับธรรมของผู้อื่นเลยอธิบายว่าไม่ยอมรับเพือไม่เห็นตามไม่คล้อยตามไม่ยินดีตามธรรมเพือทิฏฐิปฏิปทามักของผู้อื่นรวมความว่าไม่ยอมรับธรรมของผู้อื่นเลยคำว่าคนพาลเป็นคนต่ำทามมีปัญญาทามอธิบายว่าคนอื่นเป็นพาลเป็นคนเลว ต่มต่ำตามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยมีปัญญาเลวมีปัญญาตามมีปัญญาต่ำตามมีปัญญาหน้ารังเกียจมีปัญญาหยาบช้ามีปัญญาต่ำต้อยรวมความว่าคนพานเป็นคนต่ำสามมีปัญญาสามคำว่าสมณพ ร, ราหมณ์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นคนพานมีปัญญาสามอธิบายว่า สมณพราหมณ์เหล่านี Metro ้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นคนพาลคือเป็นคนเลวซามต่ำสามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั่นแหละมีปัญญาเลวคือมีปัญญาซามมีปัญญาต่ำสามมีปัญญาหน้ารังเกียจมีปัญญาหยาบช้ามีปัญญาต่ำต้อยรวมความว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นคนพาลมีปัญญาซาม คำว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละยึดถือทิฏฐิอยู่อธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นเจ้าลทัทธิสมณพราหมณ์เหล่านั้นยึดยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหกสิบสองแล้วคืออยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองตามทิฏฐิของตนของตนเหมือนพวกขรหัสผู้ครองเรือนก็อยู่ในเรือน มูพิกษุผู้มีอาบัตก็อยู่ในอาบัตหรือผู้ปุถุชนผู้มีกิเลสก็อยู่ในกิเลสชั้นใดสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นเจ้าลทัทธิสมณพราหมณ์เหล่านั้นยึดยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหกสิบสองแล้วอยู่คืออยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่ครองตามทิฏฐิของตนของตนชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่า สมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละยึดถือทิฏฐิอยู่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าคนพานไม่ยอมรับธรรมของผู้อื่นเลยเป็นคนต่ำซามมีปัญญาซามสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นคนพานมีปัญญาสามสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละยึดถือทิฏฐิอยู่หนึ่งร้อยสิบหกพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่า ถ้าผู้สมณพราหม่ผ่องแพ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดมีความรู้แล้วไซ่บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีใครเสื่อมปัญญาเพราะทิฏฐิของสมณพราหมแม้เหล่านั้นถือกันมาอย่างนั้นคำ ว, ว่าถ้าผู้สมณพราหมณ์ไม่ผ่องแพ้วเพราะทิฏฐิของตนอธิบายว่าผู้สมณพราหมณ์ไม่ผ่องแพ้วคือไม่ผ่องใสไม่แจ่มใส เจ้ามองหมนหมองเพราะทิฏฐิของตนคือเพราะความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนรวมความว่าถ้าผู้สมณพราไม่ผ่องแพ้วเพราะทิฏฐิของตนคำว่าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดมีความรู้แล้วใสอธิบายว่าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดคือมีปัญญาสะอาดมีปัญญาบริสุทธิ์มีปัญญาผ่องใส มีปัญญาแจ่มใสอีกในหนึ่งเป็นผู้มีความเห็นหมดจดมีความเห็นสะอาดมีความเห็นบริสุทธิ์มีความเห็นผ่องใสมีความเห็นแจ่มใสรวมความว่าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีคำว่าฉลาดได้แก่ฉลาดคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทาลายกิเลส รวมความว่าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดคำว่ามีความรู้ได้แก่มีความรู้คือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทาลายกิเลสรวมความว่าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดมีความรู้แล้วใช้คำว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น ก็ไม่มีใครเสื่อมปัญญาอธิบายว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีใครมีปัญญาเลวมีปัญญารามมีปัญญาต่ำตามมีปัญญาหน้ารังจีจมีปัญญาหยาบช้ามีปัญญาต่ำต้อยอีกในหนึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นผู้มีปัญญาเลิศมีปัญญาประเสริฐมีปัญญาวิเศษมีปัญญานำหน้ามีปัญญาสูงสุด มีปัญญาประเสริฐสุดรวมความว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีใครเสริมปัญญาคำว่าเพราะทิฏฐิของสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นเถือกันมาอย่างนั้นอธิบายว่าทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเถือกันมาคือจะมาทานถือยึดมั่นถือมั่นติดใจน้อมใจเชื่อกันมาอย่างนั้นรวมความว่า เพราะทิฏฐิของสมณพราหมณ์แมเหล่านั้นเถือกันมาอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าพวกสมณพราหมณ์ไม่ผ่องแผ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดมีความรู้แล้วใส่บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีใครเสื่อมปัญญาเพราะทิฏฐิของสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นเถือกันมาอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนสองพวกกล่าวทิฏฐิใดกระกันละกันว่าเป็นคนพานเราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริงพวกสมณะพราหมณ์พากันประกาศทิฏฐิของตนของตนว่าจริงเพราะฉะนั้นจึงพากันใส่ไฟผู้อื่นว่าเป็นคนพานคําว่าไม่ในคําว่าเราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริงเป็นคําปฏิเสธ คำว่านั้นได้แก่ทิฏฐิหกสิบสองอธิบายว่าเราไม่กล่าวคือไม่บอกไม่แสดงไม่บรรยัติไม่กาหนดไม่เปิดเผยไม่จำแนกไม่ทำให้ง่ายไม่ประกาศทิฏฐินั้นว่าจริงคือแท้เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตรวมความว่าเราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริงคำว่าคนสองพวกในคำว่า คนสองพวกกล่าวทิฐิใดประกันละกันว่าเป็นคนพาลอธิบายว่าคนสองพวกคือคนก่อการทะเลาะกันสองพวกคนก่อการบาดม้างกันสองพวกคนก่อการอื้อแฉวกันสองพวกคนก่อการวิวาทกันสองพวกคนก่ออธิกรณ์กันสองพวกคนว่าร้ายกันสองพวกคนโต้เถียงกันสองพวกคนเหล่านั้นกล่าวหากันละกันอย่างนี้ คือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าเป็นคนพาลคือเป็นคนเลวซามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าคนสองผู้กล่าวทิฐิใดกันและกันว่าเป็นคนพาลคําคว่าผูกสมณพราหมณ์พากันประกาศทิฐิของตนของตนว่าจริงอธิบายว่าพากันประกาศทิฐิของตนของตนว่า จริงว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะพากันประกาศทิฏฐิของตนของตนว่าจริงว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริ ง, ยงอย่างอื่นเป็นโมคะรวมความว่าพวกสมณะพราหมพากันประกาศทิฏฐิของตนของตนว่าจริง คำว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นจึงพากันใส่ไฟผู้อื่นว่าเป็นคนผ่านได้แก่เพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นจึงพากันใส่ไฟผู้อื่นคือเห็นมองเห็นตรวจดูเพ่งพินิษ์พิจารณาดูว่าเป็นคนผ่านคือเป็นคนเลวซามต่ำซามน่ารังเกียจ หยาบช้าต่ําต้อยรวมความว่าเพราะฉะนั้นจึงพาพันใส่ไฟผู้อื่นว่าเป็นคนพาลด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนสองพวกกล่าวทิฏฐิใดกับกันและกันว่าเป็นคนพาลเราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริงพวกสมณพราหมณ์พากันประกาศทิฏฐิของตนของตนว่าจริงเพราะฉะนั้น จึงพากันใส่ไฟผู้อื่นว่าเป็นคนพาลหนึ่งร้อยสิบแปดพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าสมณพราหมบางพวกกล่าวทำใดว่าจริงว่าแท้สมณพราหมพวกอื่นก็พากันกล่าวทำนั้นว่าเปล่าว่าเ ท, ท็จสมณพราหมเหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้แล้ววิวาทกันเพราะเหตุไรพวกสมณพราหมจึงไม่พูดอย่างเดียวกัน คำว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าจริงว่าแท้อธิบายว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงซึ่งทมคือทิฏฐิปฏิปทามักใดอย่างนี้ว่าทานี้จริงแท้เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตรวมความว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าจริงว่าแท้ คำว่าสมณพราหมณ์พวกอื่นก็พากันกล่าวทำนั้นว่าเปล่าว่าเท็จอธิบายว่าสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็พากันกล่าวอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงซึ่งทำคือทิฏฐิปฏิปทามักนั้นนั่นแหละอย่างนี้ว่าทำนั่นเปล่าทำนั่นเท็จทำนั่นไม่เป็นจริงทำนั่นหลอกแหละทำนั่นไม่แน่นอนรวมความว่า สมณพราหมู่พวกอื่นก็พากันกล่าวทำนั้นว่าเปล่าว่าเท็จคำว่าสมณพราหม์เหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้แล้ววิวาทกันอธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่างพากันยึดยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้ววิวาทกันคือก่อการทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแข่งแย่งก่อการวิวาทก่อการมุ่งร้ายกันว่า ท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้แล้ววิวาทกันคำว่าเพราะเหตุไรในคำว่าเพราะเหตุไรพวกสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันอธิบายว่าเพราะเหตุไรคือเพราะการไรเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะอะไรเป็นปัจจัย เพราะอะไรเป็นต้นเหตุเพราะอะไรเป็นเหตุเกิดเพราะอะไรเป็นกำเนิดเพราะอะไรเป็นแดนเกิดสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันเขอพูดไปต่างๆหลายอย่างพูดอย่างโน้นอย่างนี้คือกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงหลายอย่างรวมความว่าเพราะเหตุไรผู้สมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรเมรจึงทูลถามว่า สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าจริงว่าแท้สมณพราหมณ์พวกอื่นก็พากันกล่าวทำนั้นว่าเปล่าว่าเ ท, ท็จสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้แล้ววิวาสกันเพราะเหตุใรพวกสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันหนึ่งร้อยสิบเก้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามูชนรู้ชัดสัจจะใดไม่พึงวิวาสกัน สัจจานั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สองสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดสัจจะต่างๆกันไปเองเพราะฉะนั้นพวกสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันว่าด้วยสัจจะมีอย่างเดียวคําว่าสัจจานั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สองอธิบายว่านิพพานคือความดับทุกข์ได้แก่ความระงับสังขารทั้งปวง ความสลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับกิเลสความเย็นสนิทตราดเรียกว่าสัจจะอย่างเดียวอีกในหนึ่งมรรคสัจจะเป็นสัจจะที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์คือทุกขนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ2 ส, สัมมาสังกัปปะดำริชอบ สามสัมมาวาจาเจรจาชอบสี่สัมมากัมมันตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพ ช, ชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบตราสเรียกว่าสัจจะอย่างเดียวรวมความว่า เพราะสัจจะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สองคำว่าใดในคำว่ามูชนรู้ชัดสัจจะใดไม่พึงวิวาตกันได้แก่ในสัจจะใดคาว่ามูสัตเป็นชื่อเรียกสัตว์คำว่ารู้ชัดอธิบายว่ารู้ชัดคือรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดสัจจะใดไม่พึงก่อการทะเลาะ ไม่พึงก่อการบาดหมางไม่พึงก่อการแก่งแย่งไม่พึงก่อการวิวาทไม่พึงก่อการมุ่งร้ายได้แก่พึงละบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งการทะเลาะการบาดหมางการแข่งแย่งการวิวาทการมุ่งร้ายรวมความว่ามูชนรู้ชัดสัจเจใดไม่พึงวิวาทกัน คำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดสัจจะต่างๆกันไปเองอธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดคือกล่าวพูดบอกแสดงช mm ี hmm. ้แจงสัจจะต่างๆกันไปเองว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดคือกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงสัจจะต่างๆกันไปเองว่าโลกไม่เที่ยง หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดสัจจะต่างๆกันไปเองคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นพวกสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันอธิบายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้น เพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นพวกสมณะพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันคือพูดไปต่างๆพูดหลายอย่างพูดอย่างโน้นอย่างนี้พูดคือกล่าวบอกแสดงชี้แจงมากมายรวมความว่าเพราะฉะนั้นพวกสมณะพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า มูชนรู้ชสั จ, จัได้ไม่พึงวิวาทกันสัจรจนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สองสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดจั จ, จต่างๆกันไปเองเพราะฉะนั้นพวกสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันหนึ่งยี่สิบพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าเพราะเหตุไรนอพวกสมณพราหมณ์จึงพูดสั จ, จะไปต่างๆอ้างตนว่าเป็นคนฉลาด พูดพร่่กันไปสัจจะที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเรียนมามีหลายอย่างต่างๆกันหรือหรือว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพาคนนึกตรึกเอาเองคําว่าเพราะเหตุไรในคําว่าเพราะเหตุไรหนอะพวกสมณพราหมณ์จึงพูดสัจจะไปต่างๆอธิบายว่าเพราะเหตุไรคือเพราะการไรเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะอะไรเป็นต้นเหตุ พวกสมณพราหม์จึงพูดสัจจะไปต่างๆเพื่อพูดหลายอย่างพูดอย่างโน้อนอย่างนี้พูดคือกล่าวบอกแสดงชี้แจงมากมายรวมความว่าเพราะเหตุไรหนอพวกสมณพราหม์จึงพูดสัจจะไปต่างๆคำว่าพูดพร่ำกันไปในคำว่าอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดพูดพร่ำกันไปอธิบายว่า เพราะพูดแพร่เพอไปจึงพูดว่าพูดพร่กันไปอีกในหนึ่งพวกสมณพราหม์พูดพร่คือกล่าวบอกแสดงชี้แจงทิฐิของตนของตนว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะพวกสมณพราหม์พูดพร่คือกล่าวบอกแสดงชี้แจงทิฐิของตนของตนว่าโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะคำว่าอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดได้แก่อ้างตนว่าเป็นคนฉลาดคือกล่าวอ้างว่าเป็นบัณฑิตอ้างว่าเป็นนักปราชญ์อ้างว่ามีความรู้อ้างว่ามีเหตุผลอ้างว่ามีคุณลักษณะอ้างว่าเหมาะแก่เหตุอ้างว่าสมฐานะตามลัทธิของตนรวมความว่า อ้างตนว่าเป็นคนฉลาดพูดพร่ำกันไปคำว่าสัจจะที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเรียนมามีหลายอย่างต่างๆกันหรืออธิบายว่าสัจจะที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเรียนมามีหลายอย่างต่างๆกันคือมีหลายอย่างเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มากมายรวมความว่าสัจจะที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเรียนมามีหลายอย่างต่างๆกันหรือ คำว่าหรือว่าสมณะพราหมเหล่านั้นพากันนึกตรึกเอาเองอธิบายว่าหรือว่าสมณะพราหมเหล่านั้นดำเนินไปออกไปถูกพาไปถูกนำไปด้วยความตรึกคือด้วยความวิตกความดำริรวมความว่าหรือว่าสมณะพราหมเหล่านั้นพากันนึกตรึกเอาเองอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง สมณพราหมณ์เหล่านั้นพาคันกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงสัจจะที่ตนประมวลมาด้วยความตรึกที่ตนประพฤติตามด้วยการพิจารณาใคร่ายโคลนที่รู้เองรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพาคันนึกตรึกเอาเองอย่างนี้บ้างด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรเมศจึงทูลถามว่าเพราะเหตุไรหนอพวกสมณพราหมณ์จึงพูดสัจจะไปต่างๆ